ผู้ทั่วสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะดิฉันสรรเสริญณกรุง FM 106 ดิฉัน <c oughs> อ่าเราไปพบกับท่านฐิบูรณ์กันก่อนค่ะกราบนมัสการนะคะเรียนบานค่ะอ่าหัวข้อทั้ง 10 ข้อที่ว่าเป็น เอ่อคืออนุสติ 10 อย่างอนุสติอ๋ออนุสติ 10 ประการงั้นทั้ง 10 อย่างเนี่ยเรียกว่าอ๋อดิฉันยังเข้าใจท้ายอย่างค่ะท่านอ่าเครื่องเตือนใจ นะความระลึกได้ไม่ให้เราหลงไปเอ่อคําที่มันค่ะทีนี้ๆเลย ของโลกใบนี้ที่มันเกิดขึ้นดิฉันได้ยินว่ามีคนป่วยที่กําลังจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะคะแต่วันเอ่อแต่ในขณะเดียวกันก็ได้รับการปฏิบัติต่อจากคนในครอบครัวคืออืมแต่ได้รับการ อ่าเพราะไม่มันเจ็บแค้นกับเรื่องเดิมๆอืมสามีเจ้าชู้อืมนะคะ เอ่อดิฉันกลัวเป็นห่วงถ้าเกิดมีใครอยู่ในอาการแบบนี้ทั้ง 2 ฝ่ายเลยนะคะถ้าใช้ธรรมะเข้าข่มน่ะท่านค่ะทางที่ถูกแล้วเนี่ยเป็นศีลพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุดค่ะและเป็นปรีดิ์กับทั้ง 2 ฝ่ายค่ะเอ่อคือเรื่องนี้เราจะยกเรื่องของกรรมที่เอ่อ 2 เรื่องที่อาจจะมีผลสืบเนื่องกันมาก็อาจจะเครียดแค้นกันมายังไงชาตินี้อาจจะเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของที่ใน 2 <ใช>เรคนนี้ใครสักคนใดคนหนึ่งก็คิดว่าเอ้ยฉันจะทํากรรมที่ฉันมีกันมาให้สิ้นนะให้<ใช> เอ่อไม่หนีออกจากมรรค 8 แน่เรื่องของศีลซึ่งคนเราบางทีมันมีข้อผิดพลาดซึ่งกรณีของตัวอย่างที่ซึ่งเป็นผลน่ะๆใช่มั้ย สาวฝ่ายหญิงนะที่จะได้รับความเจ็บช้ํานําจากอันนี้มันก็ นั่นคือเค้าทำบาปทำชั่วทำบิดเนี่ยเค้าต้องได้ นะซึ่งกระบวนการการสร้างกรรมดีนั้นมีหลายอย่างคือเราไม่ใช่ว่าอดทนเป็นพระอิทธิพปูให้เค้ากระทําไม่ใช่งั้นแต่เราก็ต้องฉลาดรู้จักทาง ที่ learning to work until you need your trust เปรctional break เปร tensor Aquí เท cherry on side Conference is working at the end of the day. ii Wert Breaker as usual will be a starter plan ir infrastructures. ii who need profit and power file??yeah คือ turned to be a child abuse. ii flake pensar into lane ii flake 생각 at the end of the topic. ii f трав. Reality can be worse towards the cherry at the beginning on the любு managed kurt. such i have definetive weekends for the น่ะเราอาจจะไม่ได้มีเมตตากับเค้าฉันมีเมตตาไม่ลงไอ้คนนี้แต่อย่าให้มีความโกรธละกันให้เบรกเอาไว้นะกรุณาก็ไม่ เรื่องอุเบกขานี้ค่ะค่ะคือนี่ใช่แน่นอนแน่นอนแต่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายๆคนคิดว่าคุณต้องนั่งหลับตาอยู่ในห้อง อยู่เป็นประจำทําทุกวันแล้วเราทํามรรคเนี่ยให้มัน ทำไมชีวิตครอบครัวเป็นอย่างงี้เนาะค่ะอืมก็เท่ากับว่าหากเราคิดว่าชีวิตเรามีเวรมีกรรมกับใครสักคนนึงสมมุติอืมอ่าแล้วเรามีความแล้วไม่อยากแล้ว แม่จะรู้ว่าโลกหน้ามีหรือเปล่าก็ซึ่งการสิ้นกรรม นะแล้วถ้าสมมุติเรายังทําอย่างนั้นไม่ได้นั้นมันก็จะมีข้อปฏิบัติอีกอัน เราไปบังคับจิตของเราไม่ได้แต่อย่างน้อยจิตของเราอย่าให้ผูกเวรกันเพราะถ้าคุณผูกเวร ในการที่จะอบรมจิตไม่ให้ความจริงนะ 1 วาจาสัตย์นะเป 2 เป็นผู้มีความเพียรนะความการ <tum> นะ. นะ. เป นะ. 2 <ใช>นะข้อที่ 3 คือการ 4 ก็ การสวดมนต์นี้ช่วยได้อ๋อแล้วก็ที่ 5 คือการให้การบริจาคนะก็คือจาคะการให้การบริจาค 5 ให้มีการเวรเด็ดเสร็จเด็ด จัดการได้ก็ผูกเวรไว้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเรียกผูกเวรมั้ยคะใช่เอ่อและจริงๆแล้วพอ 5 อย่างคือพูดความจริง อันนี้เป็นทําแล้วใช่ๆมีความค่ะประพฤติพรหมจรรย์คือหลีกเล้นปฏิบัติธรรมตรงไหนก็ได้เพื่อที่ น่ะมันเข้าใจง่ายที่สุดคือดิฉันเข้าใจว่าการบริจาคเนี่ยเพียงคิดเองนะคะใช่ๆๆคนผูกเวรนี่เป็น 8 นั่น มันมันก็ค่อยลอกไปลอกไปคือเราไม่ผูกเวรกับคนนี้ถ้าตัวทั้งกรรมทั้งเวรเนี่ยไปอริยะมากมีองค์ 8 <ใช> ในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยท่านผู้ฟังถ้าตามทันๆเพราะเอ่อได้เข้าใจนะคะว่าการอยู่ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งพระองค์จะพึ่งใครมีพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งพระองค์ใช่แล้วพระพุทธเจ้าวันนี้ปรินิพพานไปแล้วคนว้าเหวมั้ยคะนะคะควรว้า แล้วเราก็คิดว่าเวลาในแต่ละวัน 15 นาทีไม่มากนักนะ อ่าผู้ที่ไปปฏิบัติลีกเรนที่วัดแล้วท่านก็อยู่ไหน ที่เราจะได้อยู่ภาคกันเสาร์อาทิตย์ส่วนท่านทั้งหลายนั้นดิฉันอยากจะให้รวบรวมที่ได้เรียนในคะนําเอาของท่านนั้นพบกับความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ธรรมะช่วยทําให้จิตท่านเป็นปฏิสุทธิสุขมากขึ้นอ่าพ้นทุกข์หรือว่าทุกข์น้อยลงก็นําไปสู่การปฏิบัติกันอย่างสม่ําเสมอนะคะส่วนด้วยกันของเราก็ต้อง แม่มัน